อายุแก่มาเท่าไหร่กำลังวังชาลดลงลดลงมากน้อนเพียงไรการทำประโยชน์ลดน้อยลงโดยลำดับเท่าไหร่ความกังวลเกี่ยวกับหมู่เพื่อนวงพระศาสนาในแง่ปฏิบัติ ของพระบุรดงกรรมฐานเรายิ่งทำให้คิดให้ยิตกกังวลมากถ้าจะพูดต า, ตามแบบของโลกว่ายิตกกังวลเพราะคำนี้เป็นคำสมมติที่ต้องใช้ได้ทั่วทั่วไปในวงปฏิบัตินี่แหละถ้าตั้งใจึกปฏิบัติ ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านตลอดครูอาจารย์มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นต้นที่ได้ดำเนินพาดำเนินมาในวงปัจจุบันนี้ไม่ละไม่ปล่อยวางปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินมาท่านเหล่านี้แลจะเป็นผู้ทรงมรรคงผล จนถึงความพ้นทุกข์ได้โดยไม่อาจสงสัยเพราะทรรมเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามมาแล้วแต่องค์พระสัสดาจนกระทั่งปัจจุบันที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาและตักตวงผลเต็มหัวใจท่านเลื่อยมาจนกระทั่งได้มาให้อุวาสแนะนำสองสอนพวกเราและพาดำเนินตามในแง่ต่างๆ ด้วยว่านี่ไม่มีข้ออัดข้อธรรมปฏิปทาใดที่จะผิดพลาดจากมากจากผลเลยถ้าผู้ปฏิบัติตั้งใจดำเนินตามนี่แล้วการชรงมรรคทรงผลก็คือผู้นั่นแหละจะไม่เป็นผู้อื่นผู้ใดเพราะการปฏิบัตินี้เป็นเป็นภาคที่ก้าวเดินแล้ว เพื่อสู่มากสู่ผลถ้าเป็นงานก็ก้าวเดินแล้วเพื่อเป็นรูปเป็นร่างเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นกิจการงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยลำดับท่านจึงเรียกว่าปริยัคือการศึกษาเรียนมามากน้อยนั่นคือเข็มทิศทางเดินการปฏิบัติตามในแง่ต่างๆ ตามหลักธรรมหลักวินัยที่ชี้แจงเอาไว้นั้นคือภาคดําเนินงานที่จะปรากฏผลขึ้นมาโดยลําดับเหมือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนเริ่มตั้งแต่วางรากฐานขึ้นมาจนกระทั่งสําเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนนั่นคือภาคปฏิบัติงานของเขามีภาคปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคําว่าปริยัต ได้แก่การศึกษาเรียนปฏิบัติได้แก่ก้าวการก้าเดินตามและปฏิเวทธรรมได้แก่ความรู้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงทะลุนั้นแยกกันไม่ออกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้าชาวพุทธเรามีความมุ่งมั่นหวังจะทรงมรรคทรงผล ตามหลักศาสนาธรรมนี่แล้วก็ต้องปฏิบัติตามนี้ถ้าให้ปลีกแวจากธรรมทั้งสามประเภทนี้แล้วก็ไม่มีหวังที่จะได้ทรงอัดทรงธรรมทรงมรรคทรงผลตั้งแต่ต้นจนถึงความสุดยอดแห่งธรรมแห่งปิตินี่พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีครูอาจารย์ก็ดี ท่านดำเนินในธรรมทั้งสามประเภทนี้ไม่ให้ปีกให้แวะจากกันเรื่อยมาท่านจึงเป็นผู้ตักตวงอมมักผลนิพพานเต็มพระทัยและเต็มหัวใจแล้วนำมาประกาศธรรมสอรโลกด้วยธรรมสามประเภทนี้เพื่อผู้ได้ยินได้ฟังแล้วจะได้ดมเนินตามธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้แล้วมักผลนิพพานก็ จะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัตินั้นเป็นลำดับลำดามาเรื่อยจนกระทั่งปัจจุบันและอนาคตจะให้สิ้นสุดยุติจากคำว่ามักว่าผลนี่เลยแต่ถ้าแยกแยะธรรมเหล่านี้ให้ห่างเหินจากกันประหนึ่งว่าเป็นคนศัลยศาสนาไปเสียอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางหรือโรียนปริยัติ เมื่อเข้าใจมาแล้วเราก็ไม่สนใจปฏิบัติเพราะเห็นว่าปริยัตินี้ก็เป็นธรรมที่สมบูรณ์แล้วปฏิบัติก็ไม่จนไม่สนใจที่จะดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านดำเนินมามรกผลที่ปรากฏขึ้นจากปฏิเวทธรรมคือความรู้แจง้งแตง่งประโนั้นก็ไม่มีนะมีเรียกว่าแยกศาสนาไปโดย เจ้ตัวไม่รู้นั่นแหละให้เป็นแตกต่างๆกันไปและไม่นํามาเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันตามหลักที่ท่านพาดาเนินมาเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานจึงไม่ปรากฏแม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงประชนอยู่ต่อหน้าต่อตาของพวกเราก็ตามมรรคผลนิพพานนี้ไม่ขึ้นอยู่กับการไปเฝ้าพระพุทธเจ้า โดยไม่สนใจในภาคปฏิบัติและสนใจในแง่ธรรมใดๆทั้งสิ้นทำเรื่องมากเรื่องผลนั้นมีความจำเป็นอยู่กับภาคปฏิบัติจะอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ตามหรือเข้าเฝ้าออพระพุทธเจ้าไม่เข้าเฝ้าก็ตามพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็ตามยังทรงพระชนอยู่ก็ตามถ้าผู้มีธรรมทั้งสามประเภทนี้กลมคืนกันด้วยภาคปฏิบัติ ด้วยดีแล้วอย่างไรก็จะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยไม่ต้องสงสัยไม่มีคำว่าการสถานที่เวลเวลาว่าการนั้นสมัยนี้ว่าเวลานั้นพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเวลานี้สิ้นสุดพระพุทธเจ้าไปแล้วมัรศาสนาธรรมเป็นโมฆะอย่างนี้ไม่มีจึงเป็นที่ตายใจได้ในพระโอวาทที่ว่าสวขาตธรรม ให้ตราดไหชอบแล้วถูกนแน่ทุงมุงจึงไม่ขึ้นอยู่กับการทรงพระชนอยู่ของพระพุทธเจ้าและปฏิพาน์ไปแล้วในบรรดามรรคผลปิพานทั้งหลายจึงจะเกิดหรือจะสูญไปตามไม่มีสวัาดธรรมนั้นแหละเป็นเครื่องรับรองแห่งความถูกต้องในธรรมทั้งหลายที่ประทานไว้แล้วผู้ดำเนินตามจะได้รับ เป็นขั้นๆตอนๆไปนับตั้งแต่ขั้นสมาธิคือความสงบใจและเป็นความสงบละเอียดเป็นชั้นๆขึ้นไปนี่จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติคือจิตตะภาวนาของผู้บำเพ็ญ น, นี้เท่านั้นแม้ปัญญาทุกขั้นที่จะเป็นเครื่องกำจัดกิเลส ให้มุดมอดไปจากจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือเลยก็ไม่พ้นคำที่ว่าปฏิบัติปฏิบัติปฏิเวปฏิบัติปฏิบัติคือการบำเพ็ญคือกคือจิตตะภาวนาในทางข้นขวาจงกระทั่งทะลุปุปรงไปหมดนี่หลักเครื่องยืนยันของพระพุทธเจ้ามีอยู่อย่างนี้ขอให้ทุกๆุกท่าน ตั้งหน้าตั้งตาระคุยปฏิบัติทิงสมมุติในโลกนี้มีมากขนาดไหนฟังว่าแดนสมมุติครอบไว้หมดแล้วไม่มีสิ่งใดเนื้อไปจากสมมุตินี้เลยเราทั้งหลายก็สัตว์ทั้งหลายได้เคยผ่านเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากแล้วพระพุทธเจ้าเองที่เป็นศาสดาสอนโลกก็ทรงผ่านมาแล้วอย่างช่ำชองหรืออย่างโชคชน จนได้เห็นทั้งทุกข์ทั้งมหันตทุกข์เลยเห็นทั้งสุขทั้งบรุมาตรุเต็ ม, มพระไยัยแล้วจึงได้นำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกเสียงใดที่เป็นโทษจึงรับสั่งหรือประทานว่าเป็นโทษเสียงใดที่เป็นคุณมากน้อยก็ประทานพระโอวาทหรือบอกไว้อย่างชัดเจนว่านั่นเป็นโทษเป็นคุณ <c oughs> เราผู้ดำเนินตามหลักธรรมของบุรุเจ้าก็ไม่ใช่เป็นผู้บกพร่องในการสัมผัสสัมพันธ์กับสมุดทั้งหลายซึ่งเต็มไปด้วยทุกนั่นแหละมากกว่าสุขความเพื่อเคยลื่ยเลิงก็เพื่อให้เกิดทุกข์ไม่ใช่เพื่อจะให้เกิดความสุขเหล่านี้เราก็เคยผ่านมาแล้วทางตาทางหงูทางจมกูกทางลิ้นทางกายสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาแม้ในภพชาตินี้ก็ไม่ได้บกพร่อง บรรดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่สัมผัสสัมพันธ์กับอะยะตาจตนาภายในัยคืตาหูจมกูกลิ้นกายใจของเราแล้วก็ไม่พ้นที่จะนําผลเข้ามาเผาผลาญจิตใจของเราจนได้เหตุใดเราจรึงไม่เหตุไม่หลับเหตุไรยังเรายังจะเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของเลิศเลออยู่เรื่อยไปถ้าไม่ใช่ถูกหลอกถูกต้มตุนจากกิเลสเสียอย่างไม่ลืมหมูลืมตาไม่มองดูธรรมไม่คว้าเอาธรรมเข้ามา ตอดมาสองบ้างเลยนี้มันเกินไปสำหรับพระผู้ปฏิบัติเราเราสงสัยอะไรในโลกนี้เกิดกับตายมีเกลือนแผ่นดินเพียงแผ่นดินในโลกนี้ก็เกลือนแล้วบ้านใดเมืองใดไม่มีป่าชา้าไม่มีมีป่าช้าประจำอยู่ทุกบ้านทุกครัวเรือนทุกร่างกายไม่ว่าจัดวว่าบุคคลหญิงชายในน้าบนบก มีป่าช้าประจําตนอยู่ทุกแข่งทุกผลเป็นของพิเศษอะไรสัตว์เกิดที่ไหนป่าช้าปรากฏอยู่ที่นั่นก่อนที่จะเป็นปาช้าก็ได้รับความทุกข์ความทรมานถึงขั้นตายจึงเรียกว่าปาช้าของสัตว์เหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงเลยผ่านมาสัพอแล้วจึงเลยสอดสวงหาทางออกด้วยภาคปฏิบัติธรรมแม้ว่ามีใครแนะนําสั่งสอนพระองค์ก็ทรงสอแสวงหาโดยลําพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามภู การขวัญขวานในทางเหตุก็ทรงค้นควาโดยลำพังพระองค์แม้การรู้ขึ้นมาในธรรมทั้งหลายจนเป็นสัพพันยูหรือรู้ในธรรมทั้งหลายไม่มีอัดมีอัน้นพระองค์ก็ทรงขวันขวาเองรู้ขึ้นมาเองนะแล้วก็นำธรรมเหล่านี้มาสั่งสอนพวกเราและประกาศตั้งแต่เรื่องเหล่านี้ตลอดไปเพราะสัตว์ทั้งหลาย คก่คราวยู่กับความทุกข์ความท ร, รมานเพราะชาติเป็นตัวสำคัญพาให้คือพาให้ทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนเึงได้ประทานพระโอษฐ์แม้ทรรมที่ละเอียดสุ ข, ขุมอันเป็นคุณและมหาคุณพระองค์ก็ส่งไว้แล้วมาแนะนำสั่งสอนพวกเราทั้งหลายเึงไม่น่าสงสัยในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ เราเสียดายอะไรเรื่องความสัมผัสสัมพันธ์เป็นเพียงเหยื่อล่อปลาเท่านั้นเองในบนปลายเบ็ดหรือที่ปลายเบ็ดเท่านั้นถ้าไม่มีเหยื่อลอ่อปลาก็ไม่กินเบ็ดเมื่องับเข้าไปในเหยื่อที่ล่ออยู่ปลายเบ็ดนั้นก็เท่ากับคืนทุกเข้าไปในขณะเดียวกัน นี่สิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายมันเป็นเหยื่อ <c oughs> เด็ดทั้งนั้นแบบดคือของทุก <c oughs> เหยื่อคือกิอเลสเป็นเครื่องล่อลวงสัตว์ทั้งหลายให้โล่งจมกิพหายอยู่ไม่หยุดหยอ่อนและไม่มีวันเข็ดหลักตลอดไปเพราะฉะนั้นป่าช้าของสัตว์ไม่ว่าในน้ําบนบกในบรรดาโลกกระฐานนี้ยึ้มเกื่อนไปไม่มีคําว่าขาดว่าสูญไม่มีคําว่าลดหยอ่อนผ่อนคลายลงไป ด้วยการตายของสัตว์เพราะการเกิดเกิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดตลอดเวลาคำว่าทุกข์ที่ติดตามมากับความเกิดนั้นก็ต้องมีอยู่เรื่อยๆไปอย่างนี้แล้วไม่มีที่สิ้นสุดยุติก้าวมาเดินมาด้วยความเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เกิดตายในพพน้อยพบใหญ่เรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ตัวเราเองซึ่งเป็นตัวมหาเหตุ ทำให้เกิดแจกเจิดตายอยู่เรื่อยมาก็ไม่สามารถที่จะทราบความเป็นมาของผลได้ว่ายืดยาวมาเพียงไร่ละในอนาคตการข้างหน้านั้นจะเกิดจากตายไปอีกยืดยาวเพียงไรเมื่อจะมาเทียบกันแล้วก็ที่เป็นมายืดยาวเพียงเพียงไรชั้นใดที่จะเป็นไปข้างหน้าก็มีความยืดยาวชั้นนั้นเหมือนกันไม่มี เงือนใดที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันถ้าไม่มีธรรมํำเข้าไปกำจับตัดภพตัดชาติให้น้อยลงภายในใจของตนซึ่งเป็นมหาเหตุอันพาให้เกิดให้ตายนี้เสียเท่านั้นเพระนาะฉะนั้นการบําเพ็ญธรรมการละมัดระวังรักษาตัวทุกแง่ทุ ก, ทกมุมโดยธรรมโดยยี่ไนยจึงเป็นทางป้องกันหรือห่วงห้ามหรือตัดพบตัดชาติให้ลดน้อยลงไป ด้วยความมีสติกำจัดอารมณ์ที่จะเข้ามาพัวพันจิตใจให้คำเลิกเสือมสารต่อภกต่อชาติให้ยืดยาวไปไม่มีสิ้นสุดให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาอยู่เสมอไม่ให้สิ่งหงหลายเหล่านี้เข้ามาเกาะเกี่ยวจิตใจของเรานั่นและเรียกว่าการบำเพ็ญตนเรียกว่าจิตตภาวนา <c oughs> จิตใจจะสงบเย็นเข้ามา เวลานี้จิตมันก็เหมือนอยู่ในองค์ที่ปิดไปอย่างมิชิดมองหาอะไรก็ไม่เห็นเพราะถูกปิดไว้อย่างมิชิดหรือเข้าห้องมืดปิดไปอย่างมิชิดเคยเป็นมาเท่าไหร่มันก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้ทำเข้าไปเปิดเริ่มแต่ความสงบของใจเมื่อความสงบของใจปรากฏขึ้นมา จะรู้สึกมีความแปลกประหลาดภายในใจขึ้นโดยลาดับลาด า, ลดาแล้วความสว่างภายในตัวแม้จะมีวัตตะวนครอบอยู่เช่นเดียวกับองค์ครอบตัวของเราอยู่ภายในก็ตามแต่เราก็เริ่มมีความสว่างสวัยอยู่ภายในองค์นั่นแหละคือภายในวัะจักรเริ่มเป็นความสว่างสวัยขึ้นที่ใจของเราที่โดยชำละมาโดยลดาดับลำดานั่น จากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาที่กระจายกระจายทําลายโองค์ที่ถูกที่เราที่เราถูกขังตรงนั้นให้แตกกระจัดกระจายลงไปจนกระทั่งหมดภพหมดชาติแล้วก็เป็นอันว่าหมดความทุกข์โดยประการทั้งปวงนอกจากการหมดจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วยังทรงบรงมมสุขที่ปิดอิสระเสรีอย่างไม่มีอะไรมาคาดมาหมายได้เลย นั่นพระพุทธเจ้ า, จาท่านทรงดำเนินและทาลายโองคือวัตจักรให้แต ก, กกระจายไปตลอดถึงสาวกท่านดาเนินอย่างนั้นท่านเหล่านี้แหลที่เป็นผู้อัศจรรย์เป็นผู้อัศจรรย์นอกโลกนอกสงสารนอกสมมุติโดยประการทั้งปวงดังที่ว่านอกตุ่มนอกหานอกวัตจักรวัตจิตไปเสียโดยสิ้นเชิง นั่นท่านเรียกบรมสุขตั้งชื่อเป็นสมมุติขึ้นอีกอันหนึ่งว่าบรมสุขสุขอย่างยอดเยี่ยมสุขอย่างไม่มีอะไรเสมอเหมือนขึ้นจว่าสมมุติแล้วไม่มีอันใดที่จะเข้าไปเทียบเทียงได้เลยนี่คือการปฏิบัติธรรมแล้วภบชาติที่เคยเป็นมามากน้อยเพียงไรก็ ได้ถูกทําลายลงที่จุดแห่งมืดมืดดำดำภายในหัวใจนั่นแหละความมืดดำอันนี้คือกิเลสมันครอบหัวใจใจนั้นรู้แต่ถูกสิ่งปิดบังที่มืดมิดปิดตานี่ครอบเอาไว้จึงไม่สามารถที่จะมองทะลุไปเห็นดีเห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายได้เมื่อทําลายอันนี้ลงภายในหัวใจแล้ว ก็แทงทะลุไปหมดทั้งอดีตที่เคยเป็นมาแล้วใครพาให้เปลี่ยนไปใครเป็นต้นเหตุพาให้เกิดึน ถ, ถึงกับแบกกองทุกข์ไม่มีประมาณเช่นนี้ก็ประจักษ์ภายในหัวใจและอนาคตที่จะต้องแบกพบแบกชาติความเกิดแก่เก็บตายต่อไปมากน้อยหรือยืดยาวเพียงไรนั้นก็แลถทุสังหารแล้วซึมตัวเชื่ออันสาคัญ ที่จะพาให้เกิดนั้นภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วปัจจุบันก็รู้เท่าไม่ยึดไม่ถืออยู่ด้วยความพอแล้วทุกประการและตลอดอนันตการนี่แหละคือผู้เป็นสุขนี่แหละคือผู้พ้นจากทุก เพราะอำนาจแห่งการปกครองตนเองโดยอัดโดยทำกำจัดสิ่งที่เป็นข่าศึกต่อจิตใจของตนโดยสม่ำเสม อ, สมอนี่คือเรื่องผลแห่งจารสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประทานไวน้นี้คือแนวทางหรือเครื่องมือที่จะเข้าไปกำจัดหรือก้าเดินตามแนวทางไม่ให้ผิด ไม่ให้แยกแยกจากหลักธรรมหลักวินัยแล้วจะเข้าสู่จุดบรมมาสุขนี้โดยไม่อาจสงสัยถ้าไม่มีทมเรื่องกาจัดแล้วยังไรจิต ด, ดวงนี้ก็จะต้องเป็นไปอย่างนี้ตลอดคือไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายแล้หมุนไปอย่างนี้เช็นอย่างโลกที่เข้าใจกันโลกก็คือเรื่องกิเลกนั่นเองจะเป็นอะไรไป เข้าใจกันว่าตายแล้วศูนยครับตัวเองนั่นแหละเป็นนักเกิดนักตายจนไม่มีคําว่าแข่งขันกันได้เรื่องพบเรื่องชาติมีมากมีน้อยเพียงไรใครมีพบมีชาติมากน้อยเพียงไรใครมีความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรในสัตว์แต่ละรายละหลายนี้เอามาแข่งขันกันไม่ได้เลยเพราะต่างคนต่างมากไม่สามารถที่จะ นมาแข่งขันถ้าเป็นสิ่งของก็มากเหลือประมาณจนไม่มีใครต้องการแล้วใครก็เต็มกำลังแบกบหามเต็มกำลังด้วยกันแล้วจะไปกว้านหามาจากที่ไหนอีกนี่คำว่าเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องความทุกข์ความปรมานก็เคยเป็นมามากแสนมากแล้วด้วยกันทุกทุรายไปยืงไม่มีใครที่จะมากล้าแข่งกันว่าใครมีพบมีชาติมากน้อยเพียงไรมีความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไร แห่งกันไม่ได้นี่คือเรื่องกองทุกข์ที่วนเวียนอยู่ในวัฏตะวนในวัฏะจักรนี้มันไม่ได้ศูนย์คําว่าศูนย์ก็คือเรื่องของกิเลสเปิดทางให้สัตว์ทั้งหลายได้ก้าวเดินเพื่อความเกิดตายเกิดตายนั่นแหละไม่ใช่เพื่อความตายแล้วศูนย์กิเลสมันปิดไปว่าอย่างนั้นเราผูท้ที่โง่แสนโง่นี่ก็เชื่อกิเลสยิ่งกว่าธรรมเป็นในไหนธรรมผู้ที่ท พระพุทธเจ้าองค์วิเศษองค์ตรัสรู้แล้วไม่มีกิเลสภายในพระทัยเลยมาสั่งสอนมันไม่ยอมรับเพราะกิเลสมีอำนาจมากปิดบังเอาไว้ไม่ให้ยอมรับความจริงคือเกิดแล้วต้องตายตายแล้วต้องเกิดนี่เป็นหลักธรรมชาติที่ไม่มีใครแก้ไขได้ถ้าไม่จะทำเข้าไปแก้ไขถอดถอนเชื่อมันเสียไม่ให้เกิดอวิชชาปัจญาสร้างขาราเป็นสาคัญ ทำลายธรรมชาตินี้ได้แล้วเปิดโล่งหมดเลยที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วศูนย์เป็นยังไงมันประจักในหัวใจ น, นันนี่แหละรมเท่านั้นที่จะมาเปิดเผยโลกมืด8ที่8ดด้านคือเกิดคือตายแล้วศูนย์นี้ให้กระจายตัวออกไปเห็นตามหลักแห่งความเป็นจริงว่าตายแล้วต้องเกิดถ้ายังมีเชื้อฝังใจอยู่ตราบใดนี่คือความฝังอย่างลึก ของท่านผู้ที่รู้จริงเห็นจริงแล้วเป็นดังนั้นเรียกว่ารู้ตามความจริงพวกเราทั้งหลายนี่รู้ตามตามความจำกลอ ม, อมคือกิเลสเป็นตัวธรรมชาติจอมกลอมหลอกลวงต้มต้มถุนสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาแล้วจับทั้งหลายก็หลงงมงายไปตามมันถ้ามันมีธรรมเข้าไปปลดเปลื้องช่วยเหลือแล้วอย่างไรก็ต้องจมไปอย่างนี้ไม่มีประมาณอีกเท่าเดียวกันนี่คือเรื่องความ เชื่อของใจที่เป็นไปเพราะอำนาจยิเล็กมันกล่อมว่าตายแล้วศูนย์แม้ชาวพุทธเราก็มีจักมีจํานวนมากขนาดไหนไม่ประมาณเหมือนกันผู้ที่จะเชื่อว่าตายแล้วเกิดนั้นมีน้อยมากกับผู้ที่เชื่ออย่างประจักษ์ใจจากภาคปฏิบัติของตนว่าตายแล้วต้องเกิดนี้มีน้อยมากเข้าไปอีกคือท่านผู้บําเพ็ญท่านปฏิบัติให้รู้เหตุรู้ผลความเป็นมาของใจ ความเป็นไปของภพของชาติประจักรไปแล้วหายสงสัยนอกจากนั้นก็มีแต่กิ้งกิ้งเกลือกไปมาอยู่งันเหมือนสุงทั้งท่อนแล้วแต่มีหัวใจอยู่ภายในหากไม่ทราบว่าจะหาทางออกโดยวิธีการใดจึงเป็นเหมือนกับสุงปิ้งไปไหนก็ปิ้งไปจิเลศมันใสไปไหนก็ต้องไปตามอำนาจของจิเรศเพราะเราไม่มีสติปัญญาเครื่อง ทดสอบไม่มีกำลังบังชาที่จะต้านทานกิเลสทั้งหลายได้ถ้าพอรู้บ้างต้องมีอุบายวิธีการต่อสู้กันไม่มากก็น้อยนี่ไม่มีนั่นน่ะสำคัญท่าท่านจึงสอนลงที่ตรงนี้จุดมหาเหตุคือใจเ อ, อิดเจ็บตายอยู่ที่ใจดวงฝังยาพิษเชื้อแห่งความเกิดไว้อย่างสนิทติดกับใจเป็นอันเดียวกันเมื่ อ, อยังแยกไม่ได้ท่านจึงสอนลงที่นี่ คู่ที่จะแก้พบแก้ชาติอันนี้ให้เห็นไปจากภายในจิตใจก็คือนักภาวนาเดินตามภาคปฏิบัติที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ดังพระสาวกทั้งหลายดําเนินตามพระพุทิเจ้าที่ประทานพระโอวาทให้แล้วบรบรลุธรรมบรรลุธรรมนั่นคือการสังหารพบชาติของตนนั่นแหละแล้วประสบพบเห็นธรรมอันเลิศเลอขึ้นภายในจิตใจในขณะเดียวกัน อันนี้ว่าบัานรู้ธรรมบันรู้ธรรมท่านเหล่านี้เองเป็นผู้ทําลายภกชาติของตัวเองตัวเองมาโดยลําดับจากภาคปฏิบัติแต่เราอยากจะทําลายความทุกข์ที่มันตุ้มมันลุมอยู่ภายในจิตใจแม้จะไม่ได้สิ้นสุดปิมุติก็ตามผู้มีธรรมย่อมมีความสงบเย็นภายในจิตใจเช่นเดียวกับผู้มีโรคและมีหมอมียารักษานั่นแหละคนเป็นโรคไม่มียาเลยแต่แล้วก็ชอบแต่ของสแสลงคนคนนั้นตายได้ง่าย ไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันรับรองเลยเลยนอกจากรอวันตาอยู่เท่านั้นแต่ถ้าคนไข้คนใดมีความเชื่อหมอทําตามที่หมอแนะหมอสั่งปฏิบัติตามที่หมอแนะระวังสิ่งที่แสลงให้ปฏิบัติดำเนินตามหมอคนนั้นมีทางที่จะหายได้โรคมีมากมีน้อยมีวันหายได้ใจของผู้มีอัดมีทำเข้าเขาเครือบแฝง มีครูเมียอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อเชื่อธรรมย่อมมีทางที่จะเป็นไปได้ในทางที่ดีเหมือนหนึ่งว่าหาจากโรคโรคันนี้คือโรคของกิเลสอยู่ภายในจิตใจจะค่อยหมดไปโดยลำดับลำดาฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มากระเพิปฏิบัติกรุณาได้ตั้งอกตั้งใจอย่าให้จีรจางว่างเปล่า แล้ววิ่งทะเลตะลายไปตามที่เล็ไม่รู้วันรู้คืนรู้ปีรู้เดือนจนไม่รู้เพศของตัวเองว่าเป็นเพศของพระไปเสียอย่างนั้นนี่จะว่าเลวที่สุดให้จาไว้อย่างลึกภายในจิตใจจะเป็นผู้มีความกระยิ่มยิ้มย่องต่อมากต่อผลตามที่พระองค์ท่านแนะนำสั่งสอนไปแล้วผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ทรงมากทรงผลทรงไปโดยลาดับ ตั้งแต่ความสงบสุขภายใน จ, ใจิตใจด้วยอํานาจแห่งสมาธินี้ก็พออยู่พอกินแล้วสําหรับเราทั้งหลายที่เคยได้รับความทุกข์ความทรมานมามากต่อมาพอไปเจอความสงบร่วมเย็นเข้านั้นเพียงเท่านั้นก็ตื่นเต้นมีความรุ่นเริงบันเทิงจะดีใจขนาดไหนภูมิใจขนาดไหนเพียงขั้นสมาธิเท่านั้นดีไม่ดีติดอยู่ในนั้นก็ได้เพราะเป็นความสุขที่พึงหวังในขั้นหยาบของพวกเรา แต่เป็นทางก้าวเดินนี่เป็นที่พักผ่อนของท่านผู้จะบาเพ็ญธรรมที่เหนือกว่านี้ไปอีกเพื่อก้าวเข้าสู่ปัญญาความรู้ของสมาธิกับความรู้ของปัญญาสรุปแล้วเรียกว่าความรู้ในธรรมกับความรู้ในโลกนั้นมีแตกต่างกันเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิ ถ้าจิตยังไม่ปรากฏตัวเป็นความสมงบร่มเย็นอันเป็นผลของการปฏิบัติแล้วเพียงแต่เรียนมาเฉยๆไม่ว่าท่านว่าเราเรียนมามากมาน้อยความทุกข์ก็ต้องมีอยู่ภายในจิตใจตลอดมาไม่ไม่ปรากฏว่าความทุกข์และกิเลสตัวใดได้หลุดรอยไปจากการศึกษาเราเรียนมีแต่จาได้เท่านั้นท่านจึงเรียกว่าทำความจำมความจากับความจริ ง, รงต่างกันอยู่มาก ทำความจําคือจํามาจากการศึกษาเราเรียนการได้ยินได้ฟังครูอาจารย์แนะนําสั่งสอนเราจำจาได้นี่เป็นเป็นทำความจําไม่สามารถที่จะแก้กิเลสได้แม่ตัวเดียวแต่ทำความจริงนั้นนําไปปฏิบัติจนปรากฏเห็นเป็นความจริงขึ้นมาภายในใจิตใจจิตใจนั้นเมื่อปรากฏมากน้อยกิเลสก็เริ่มลดเริ่มถอยลงไ ป, ไปเป็นลาดับลำดับ นี่ทำความจริงเมื่อความจริงนี้เข้าถึงใจเข้าเรืเ่อยๆความรู้อันนี้จะแปลสภาพจากความรู้ทั้งหลายที่เคยเป็นมาตามโลกตามองสารที่เขารู้รรเห็นกันไปโดยลำดับลาดับยังความรู้สมาธินี้ก็แปลกแล้วแล้วยิ่งเป็นความรู้ของทางทางด้านปัญญานี้โดยแล้วยิ่งเป็นความละเอียดสุ ข, ขุมมากทีเดียว ไม่อาจที่จะนํามาแจงให้โลกทั้งหลายได้ยินได้ทราบทั่วถึงกันอย่างละเอยียดจะออได้ตามความเป็นที่เป็นอยู่ภายใน จ, จิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นเลยยิ่งเป็นความรู้ที่เด่นอยู่ด้วยความหุดพ้นเป็นจิตตวิมุตติจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์รู้อยู่ด้วยความบริสุทธิ์นั่นแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาเทียบเคียงได้เลยในโลกอันนี้สมมุติกว้างแคบขนาดไหนเยาว่าแดนสมมุติ ไม่มีแม้ชิ้นหนึ่งที่จะเข้าไปเทียบในความรู้แห่งจิตตะวิมุตต์นั้นได้เลยนั่นท่านจึงเรียกว่าโลกว่าธรรมต่างกันอย่างนี้ความรู้เวลาท่านทรงขันอยู่ความรู้ของท่านก็ไม่เหมือนกับใครๆความเป็นอยู่ของท่านก็ไม่เหมือนกับใครแ ต, แต่พูดไม่ได้ว่าไม่เหมือนเพราะอะไรนอกจากจะพูดออกมาอย่างหยาบๆตนนแต่ตามหลักธรรมชาติที่ มีอยู่เป็นอยู่ในองค์ของท่านท่านเองไม่สงสัยแต่จะนําออกสู่โลกนั้นเป็นสิ่งที่ควรบ้างไม่ควรบ้างหรือไม่ควรเลยเป็นเป็นธรรมบางประเภทนี่แหละเรื่องความความเป็นของธรรมความรู้ของธรรมภายในผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราอยากจะทราบความรู้อันนี้ว่าแตกต่าง ก, กันกับโลกอย่างไรบ้างใ ห, ให้ดําเนินปฏิบัติทันหลังพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านรเรียนมาจากที่ไหนคัมภีรใด ลัทธิใดศาสราองค์ไหนทำไมท่านถึงสอนโลกได้ถึงสามแดนโลกฐานแต่โน้นนรกอเวจีก็ทรงทราบทรงเห็นมาตลอดตัด้งถึงพรหมโลกสวรรค์พรหมโลกนิพพานพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงเกี่ยวข้องทั้งนั้นในบนรรดาศัตร์ายใดที่จะมาเกี่ยว กับพยานของพระองค์ที่จะพอหรือพอถอนพอแนะนําสั่งสอนได้พระองค์ก็ทรงแนะนําสั่งสอนเรื่อยมาโดยไม่มีประมาณขอบเขตเลยนั่นแหละความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นท่านไปเรียนจากที่ไหนแล้วบรรดาสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อได้รู้ความจริงที่กระเทือนอยู่ภายในหัวใจท่านแล้วทําไมจะไม่กระเทือนทั่วแดนโลกกาะทาแล้วทําไมจะไม่รู้ต้องรู้ได้เห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่เพียงว่า จะนำมาสั่งสอนโลกได้มากน้อยเพียงไรตามฐานะของโลกที่จะรับได้เท่านั้นเองท่านไม่ได้นำมาหมดอย่างท่านสอนมนุษย์เราท่านก็สอนแบบหนึ่งสอนเทวบุตรเทวดาท่านก็สอนแบบหนึ่งเทวด า, บบามีหลายขั้นหลายภูมิสอนเป็นขั้นเป็นภูมิตามอัตตามรานตามอัตยาสายรูปนิสัยของสัตว์จนกระทั่งถึงพรหมโลกสอนแยกสอนแยกไปโดยลําดับลบําดาภาษาใจ นรืธรรมที่ท่านนำไปสอนท่านเหล่านั้นไม่มีในมนุษย์เรานะแล้วเราจะไปรู้ได้อย่างไรมีความรู้อันนี้ท่านจะหามาจากไหนท่านทําไมถึงสั่งสอนโลกได้เป็นลําดับลําดากว้างแคบลึกตื้นยากประหยัดแค่ไหนทรงสั่งสอนทรงเมตตาธรรมทั่วถึงกันหมดนี่ความสามารถของพระพุทธเจ้าที่ออกจากพระไทยที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นที่กระจายทั้งหลายเป็นที่รวมแห่งธรรมทั้งหลายอยู่ที่นั่น ชาวโลกทั้งหลายก็เหมือนกันในเรื่อนี่แหละท่านบอกทำความจริงทำความจริงนี้ไม่มีประมาณขอให้รู้ความจริงเถิดจะไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่เหมือนเราเรียนมาจดจํามามากน้อยก็ได้ตามสูตรตามกัมพีตามหลักวิชาที่เราเรียนมานั่นเท่านั้นเท่านั้นไม่เลยจากนั่นไปแต่หลักวิชาธรรมที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินี้ก็จัดกระจาย ไปทุกแห่งทุกหนทั่วโลกดินแดนไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเลยท่านท่านที่เรียกว่าโลกุตระธรรมจึงเหนือโลกตลอดเวลาเหนืออยู่เช่นนั้นโลกุตระโลกุตระธรรมคือทำเหนือโลกสูงกว่าโลกอยู่ตลอดละเอียดกว่าโลกตลอดละเอียดซึ้งจงกระทั่งโลกเอื้อไม่ถึงท่านทึงเรียกว่าโลกุตรธรรมเป็นชั้นๆขึ้นไปแล้วธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้ จะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการใดแต่ศึกษาเราเรียนก็ได้มาเพียงตำรับตำราเท่าที่มีอยู่ในคัมภีร์ใบรลานี้เท่านั้นแต่ถ้าศึกษากับตั ว, ตวเองด้วยภาคปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมแล้วจะกระจักระจายแตกขแขนงออกไปไม่มีสิ้นสุดจากหัวใจดวงเดียวนี่แหละนั่นแหละท่านวัดทำความจริงเพราะฉะนั้นทําความจํากับคําความจริงจึงต่างกันไม่เหมือนกันเลยทําความจริงนั้น พอเจอเขาแล้วเจอเขาแล้วหายสงสัยหายสงสัยกิเลสค่อยหลุดค่อยลอยไปโดยลำดับธรรมดาจนกระทั่งม้วนเสือไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนั้นเลยก็เพราะอำนาจแห่งความรู้ที่เป็นจริงหรือความจริงแห่งธรรมปรากฏขึ้นแล้วที่ใจไม่เลยเหมือนกับความจำของธรรมที่ปรากฏขึ้นที่ใจเพราะเราจำได้อ น, นี้จาได้เท่าไหร่ก็จาได้ถ้าเป็นแบบแปลนแผนผัง เราจะสร้างบ้านสร้างเรือนมีแต่แปนแบบแปลนเฉยๆเราไม่สร้างจะสะเราจะเขียนดูว่าทำมันเต็มห้องก็ได้แต่มันมีตั้งแต่กระดาษนั่นสิเต็มห้องไม่ปรากฏเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นในกระดาษนั่นเลยเราอยากให้เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างแล้วก็เอาเอาแปลนนี้ไปเขาย้ายออกไปตามแปนนี้แปน สอนไว้ยังไงกำหนดไว้ยังไงเดินตามแปลนนี้แล้วบ้านเรือนก็จะเป็นไปตามนั้น <S <S นั่นเป็นผลขึ้นมาแล้วนี่แหละภาคปฏิบัติ <C ười> ทันทีว่าวิตกวิจาร์ก็ผู้ที่แนะนำสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำตามหลักศาสนาธรรมจริงๆโดยที่องค์ท่านเองก็เป็นผู้ทรงธรรมทั้งหลายเหล่านั้นไว้แล้วอย่างนี้ก็ลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปโดยลำดับลดันี่ ในสถานที่บําเพ็ญก็น้าวันลําบากไปโดยลำหนับลําดาเอาผู้ที่บําเพ็ญก็จิตใจหนักไปทางโลกทางสารหนักไปทางกิเลสปัญหามากยิ่งกว่าหนักในธรรมเสียแล้วให้กิเลสลากไปถลอกปอกเปิกทั้งพระทั้งเนรประชาชนชาวพุทธของเราไม่มีประมาณขึ้หนึ่งถูกลากไปทางหนึ่งขึ้นหนึ่งถูกลากากไปทางหนึ่งแล้วตามคนต่างถูกต่างถูกลากถูกเข็นจากกิเลสไปสู่ความล่มจม มันก็อดคิดไม่ได้เพราะสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟมันลุกลามมาทุกทิศ ท, ทุกทางทั้งข้างนอกข้างในข้างนอกก็คือเราก็ทราบไม่ใช่หรือโลกนอกโลกในเมืองนอกเมืองในนัน่นพิจารณาทีมันไหลามาทุกทิศทุกทางเพราะกิเลสเป็นผู้ผิดผิดได้ทั้งนั้นกิเลสไม่มีขอบเขตในหัวใจสัตว์ทําได้สิ่งใดที่เป็นอานาจของกิเลสแล้วมันทําได้ฉลาดแล้มคมกับฉลาดอยู่ในวงของกิเลสเมื่อทําลงมาแล้ว ผู้ที่เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ก็เป็นคนมีกิเลสอยู่แล้วทำไมจะไม่ชอบกันเมื่อเมื่อชอบกันแล้วก็ขัวพันกันก็ไหม้เ ผ, ผาไหม้กันไปแหลกก็ได้เพราะที่เพราะความฉลาดของตนที่เข้าใจว่าฉลาดนั่นแหละมันเผาตัวเองไม่ได้เหมือนความรู้ของธรรมที่ปรากฏขึ้นมามากน้อยเพียงไรเผากิเลสเรื่อยๆนี่กิเลสมันเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรมันเผาธรรมเรื่อยๆเพราะฉะนั้นธรรมของชาวพุทธเราจริงจะไม่มีเหลือมันค่อยหมดไปหมดไปอย่างนี้แหละ ให้ทุกท่านเรีนนำไปพินิจพิจรารณาคำว่าโลกจเจริญโลกเจริญหรืโลกโลกิเลสมันจเจริญมาตั้งแต่ไหนแต่ละอยู่แล้วือไม่ไม่มีกิเลส จ, จะเรียกว่าโลกได้ยังไงกิเลสมีอยู่ทุกหัวใจนั่นแหละเกิดณนะท่ามกลางแห่งกิเลสอยู่กับท่ามกลางของกิเลสครอบงำอยู่แม้ว่าเขาว่าเราทั่วโลกดินแดนไม่มีใคริดแปร ก, กันใครคนน้นคว้าหาวิชาความรู้แ ข, ขนงไหนมาเขามีตั้งแต่เรื่องของกิเลสตายคนาน้นคว้าเขนได้มาแล้วก็มาเผาเหล่าเผาเหล่าเผาคนนั่นแหละอืม เราบัชดิบว่าดีว่ารูปว่าฉลาดความจริงมันฉลาดเพื่อเผาเจ้าของได้มาจากทางไหนก็มาเผาเข้าเผาเข้ามาเลย เ, เ, เ, เ, เ, เพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องป้องกันถ้ามีธรรมเขาเขาแทรกเขาแสงมันก็เหมือนกับคนเป็นโรคมีหมอมียาตามรักษาหรือรักษากับหมอกับยานั่นแหละมันก็มีทางหายได้นี่ก็เหมือนกันธรรมมีอยู่แต่ความสนใจในธรรมมีน้อยนี่แหละที่ทําที่ว่าเกิดความกังวล ผู้ปฏิบัติมีแต่เรื่องที่จะทำลายตัวเองทำลายตัวเองสิ่งที่มีตกมากๆทุก ว, วันนี้ก็เคยพูดให้ฟังแล้วก็คือโทรทัศน์เทวทัศน์วิถยุวิดีโอสำหรับพระปฏิบัติท่องเรานี้เรียกว่าไม่ควรอย่างยิ่งเลยตัดขาดสะบัน้นไปเลยถ้าตามหลักธรรมของพระพูทธเจ้าที่ทรงสอนมาแล้วสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องไม่ได้ตัดให้าขาดสะบั้นเป็นคนละโลกไปเลยแต่เวลานี้มันก็กลมกลืนเข้ามากับ หัวใจของผู้ปฏิบัติเราของพระของเนนผู้ปฏิบัติเรามีความรักให้ใฝ่ใจกับสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไปไปเสียโดยไม่สนใจกับว่าเราทาเลยนี่สิสําคัญถ้าลงอันนี้ได้เข้าสู่วัดใดก็าตามวัดนั้นอย่าเข้าใจว่าจะมีเหลือเลยเหลือตั้งแต่ซากเท่านั้นเองซากคืออะไรกุฏิซากคือพระคือเนนรูปพระรูปเนนเที่ยวผ้าเหลืองครอบหัวไว้เท่านั้น แล้กุติก็ว่ากุติท่าเนรก็กุติเทวทัตผู้ทําลายศาสนาของพระพุทธเจ้านั่นแหละจะเป็นกุติของใครจรึงเลือกจึงเลือก่ะเหลือตั้งแต่ทราบเรื่องอันเรื่องทำนั้นไม่มีทางจะหวังเลยนี่แหละตัวทำลายอันหนึ่งมันเกิดมาจากอะไรพิจารณาสิ ม, มันจึงทําให้โลกทั้งหลายได้เพลินถ้าทำแล้วไม่ได้เพลินเพื่อสังสมกิเลสถ้าเป็นเรื่องของโลกของกิเลสแล้วต้องเพลินเพื่อสังสมกิเลสให้มากมูลขึ้นโดยลาดับแล้วเผาตัวของผู้ พอใจของผู้ ส, ส่อแสงหามาของผู้ชมหรือของผู้สัมผัสสัมพันธนั่นแหละไอ้กิพายใบยปวงประจำนี่ค่าศีลของศาสนามันเป็นอยู่อย่างนี้จะไม่ให้วิตกวิจารณยังไงเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้สนใจแต่พวกเรานี่มันละค่ายใกล้ชิดติดพันเข้าไปดูลำดับดาจุดไม่มองดูอัดดูทํามเลยอย่างนี้มันเข้ากันได้เหรือกับหลักศาสนาพระพุทธเจ้าชี้งองศานี่ไม่น่ามิตก บ, บ้างเหรือพวกเราผู้ปฏิบัติ เอาใครจากจมเข้าห้สอดแสวงหามาแบบโลกเขาแบบยิ่งเลทั้งหลายนั่นเองจะไม่มีอะไรผิดแปลกเรื่องผ้าเหลืองมีอยู่ทั่วไปในด้านตลาดยิ่งมากถ้าผ้าเหลืองเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่จะแก้ยิ่งเลได้จริงถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบัติของเราคืออัดคือทำระมัดระวังสังรวงตัวเองนี่เท่านั้นเป็นเครื่องกําจัดยิ่งเลได้ป้องกันยิ่งเลไดหากว่าเราก็ยังมีความพอใจในสิ่งนั้นและสอดแสวงหาสิ่งนั้นมาเผาเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเรียกว่าตายทั้งเป็น ไม่มีอะไรเหลือเลยนะในซาของพระในวัดในวัดผ้านเนนของเราเ น, นี่ที่นาวิตกมากอันนี้เองแล้วสิ่งที่ลึกลับกว่านี้มันก็จะตามมาเรื่อยๆเราก็ยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปเนท่านว า, าสนาเสื่อมดูเฮาเสื่อมอย่างนี้เอง ต, ตำหรับตำรามีในคำพีใบรานมีในตู้ในหีบมีไม่อดไม่อยากอยู่ที่ไหนมีแต่คมภีแต่มันไม่สนใจว่าคำพีสิ มันสนใจแต่เรื่องฟืนเรื่องไฟที่จะเผาไหม้หัวใจตลอดเวลาแล้วกระจายไปทั่วโลกดินแดนแล้วที่นี่ศาสนาก็ไม่มีความหมายก็รับไม่สนใจนี่จะเอาอะไรมามีความหมายคนมันหมดความหมายแล้วพระเนรนหมดความหมายไปแล้วจะเอาอะไรมาให้มีความหมายเช่นเดียวกับคนมันตายแล้วยาจะมีความหมายอะไรหมอจะมีความหมายอะไรก็เพราะคนนั้นมันหมดความหมายแลว้วคนตายแล้วนั้นหมดความหมายแล้วจะเอาอะไรไปให้มีความหมายนะ่ะ นี่กรรมวัตการศาสนาจะมีความหมายมากมายอย่างไรก็ไม่เกิดประโยชน์สําหรับคนตายแล้วนี่ที่น่าคิดอยู่มากทีเดียวแล้วค่อยหมดไปหมดไปวงศาสนาก็ดีครับแคบลงมาครับแคบลงมามองเห็นกันจะพูดเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี้ไม่พูดซะแล้วมันมีแต่โลกเป็นเรื่องของกิเลสลนล้วนกิเลสลนล้วนจูงไปจูงปากจูงตาหูจมูกจีนกายจูงหัวใจทุกด้านทุกด้า น, านไปเข้าใน ตะแลงแกงคือเป็นที่ฆ่าเป็นที่สังหารไปเสียหมดเพราะอำนาจของกินเนสมันมีกําลังมากนั่นเป็นอย่างนั้นแล้วคิดดิทำไมาจะให้แต่ครูบาอาจารย์มีความห่วงใ ย, ยมิตกวิจารย์เจ้าของไม่มีตกวิจารย์เจ้าของบ้างเหรอผู้จะล่มจมผู้ที่รับความคิดหายเพราะความทุกข์ความทรมานจะเป็นใครถ้าไม่ใช่เจ้าของผู้ที่สมัครรักชอบในสิ่งเป็นพื้นเป็นไฟซึ่งปรากฏอยู่เวลานี้ในหัวใจของเราถ้ายังไม่แสดงออกทางกายวาจาที่แสดงออกแล้วก็มากต่อมากแล้ว มันเขาต้องเป็นมากต่อมากแล้วเป็นยังไงได้คิดกันแล้วยังนักปฏิบัติเรานี่ลราที่น่าวิตก ว, วิจารณ์มากคำว่าทำทํายังไม่ปรากฏแล้วสุดท้ายพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏพระธรรมไม่ปรากฏพระสงฆ์ไม่ปรากฏจะปรากฏตั้งแต่เทวทัตเต็มหัวใจเต็มบ้านาเต็มเมืองนี่หมดนั่นแหะศาสนาเสื่อมศา ส, สนาหมดหมดอย่างนี้ไม่ใช่หมดไม่คำภีบาลานมันหมดอยู่ที่หัวใจของคนของผู้ปฏิบัติชาวพุทธเรานี่แหละถ้าไม่คิดก็ให้ขอให้คิดเสียนักปฏิบัติตั้งเรา ต่อไปมันจะสายเกินไปแล้วนะสายเกินแก้แก้ไม่ได้ตายแล้วมันมีอะไรแก้กันแหละหมดทางมี่ถ้าลงตายจากมากจากผลตายจากอัตจากธรรมในความรู้สึกในความประพฤติแล้วมันก็ต้องจมกข้าไปหากี้ตัวเป็นฝืนเป็ น, น่ายจนได้นั่นแหละนี่แหละคือคำวิโตวิจารณวิโตวิจารอย่างนี้เอง แล้วหมดไปหมดไปพระเต็มบ้านเต็มเมืองผู้ปฏิบัติเต็มบ้านเต็มเมืองหาที่ผู้ที่ควรกราบควรไหว้ให้เป็นที่โลงใจของประชาชนญาติโยมทั้งหลายมันมีไม่ได้เพอกิเลสเอาไปกินหมดกิเลสเอาไปถลุงเสียหมดเสียหมดแล้วเป็นยังไงเราเองจะมาเกเป็นความภูมิใจของเราเองเสียเองอย่างนี้มันก็ไม่ได้อย่าว่าแต่เขาจะมากราบไหว้บูชาเราเลยครับความอบอุ่นเย็นใจสบายไปกับบ้านกลับเดือนนั่นเลยตัวเราเองก็ หาความร่มเย็นเป็นจุกหาความที่ไว้วางใจของตนไม่ได้เพราะมีแต่ปื้นแต่ไฟเผาไหม้ด้วยอํานาจแห่งความรู้ของเทวทัศน์าการประพฤติตัวแบบเทวทัศน์เหมือนกับเผาทุกระดับเวลาแล้วหาเกาะหาดอนที่ไหนแม่น้ํำสมุทรมันยังมีเกาะแล้วหัวใจเรามีเกาะที่ไหนหัวใจในวงชาวพุทธเราทั้งประชาชนทั้งพระเนรและภาปะปฏิบัติไม่มีเกาะมีดอนเป็นที่เกาะที่ยึดในความถูกต้องดีงามเลยมีแต่ปื้นแต่ไฟเผาม้อย่างนี้เราก็อาศัยอะไร พิจรณาสินักปฏิบัติไม่พิจานาไม่มีใครพิจารณาพระพุทธเจ้าทรงพิจนาเต็มภูมิของศัสดาจึงนำธรรมมาสอนโลกและได้ตรัสรู้ก่อนที่จะมาสอนโลกก็เพราะการพินิจพิจารณาพระสาวกทั้งหลายล้วนแล้วแต่ท่านเป็นผู้พิจานาทั้งนั้นเต็มหัวใจของท่านแล้วเราเป็นนักปฏิบัติไม่พิจารณาจะเอาอะไรไปแข่งกิเลสล่ะมีแต่กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอามีแต่เอาความไม่พิจารณาความสุขเอาเผากินไปแข่งสาสนาธรรมแข่งพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ท่านมีอย่างนื้ พวกเราซึ่งกําลังจะเป็นเทวทัตหรือเป็นเทวทัตในหัวใจของดูตลอดเวลานี้ก็ไม่น่าจะผิดเพราะมีหลายขั้นหลายภู้การกล่าวเทวทัตยอย่างนี้ไม่ได้ตำหนิติโทษท่านพระเทวทัตนะเอาหลักเกณฑ์ของท่านมาเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจเราต่างหากไม่ได้พูดเพื่อความดูถูกเหยียดหยามพระเทวทัตนําเรื่องดีก็เป็นครูชั่วก็เป็นครูแล้วนําเอามาเป็นครูสอนซึ่งกันและกันให้เป็นคติพระเทวทัตท่าน ท่านก็เป็ น, นเวลานี้เวลาต่อไปท่านก็จะเป็นพระปเจกับพุธเจ้าองค์หนึ่งนั่นเล่นเมื่อไหรเลิอดหมายพระปเจกคุณเจ้าเวลานี้ท่านก็เสวยกรรมอยู่ตามความผิดของท่านอืเพราะคำว่ากรรมกรรมนิบากกรรมไม่ลําเอียงใครทําถูกทําดีต้องเรา ด, ดีใครทําชั่วต้องเราชั่วในวาระที่หลงก็ต้องหลงทั้งท่านทั้งเรานั่นแหล ะ, ละสําหรับพระเทวทัตท่านมีขอบมีเขตท่านยังจะผ่านพ้นไปได้จากกรรมอันหนาแน่นนี้แล้วจะได้เป็นพระเทวได้เป็น พระพระเจ้าอุติเจ้าองค์หนึ่งชื่ออติสาระท่านจะแน่นอนในเวลานั้นเดี๋ยวพวกเรานี่แน่นอนหรือไม่แน่นอนดูสิหัวใจมันจะของสร้างอะไรไว้เป็นความแน่นอนในหัวใจบ้างไหมหรือมีแต่ความเลี้ยวๆแหลกๆแหว ก, กแนวตลอดเวลาถ้าอย่างนี้ใช้มาได้นะท่านผู้มาศึกษาก็มามากต่อมากผมก็สอนมาเป็นเวลานานตั้งสี่สิบกว่าปีแล้วสำหรับสอนพระนะแล้วจนเต็มภูมินี่เทศนี่ก็หลงหน้าหลงหลังอย่างเทศนมานี้แหละ พอพูดไปพูดไปหลงไปแล้วลืมไปแล้วแล้วตั้งใหม่อยู่ในนี้แหละมันรู้อยู่ในตัวเนี่ยมันลืมไปลืมไปจะทําไงเป็นเพราะนั้นจริงไม่คว่าจะเกลีะนาว่าการแนะนำสั่สอนหมู่เพื่อนและใครๆก็ตามนีม่งดไปแล้วเวลานี้นี่ประสงค์การหมู่เพื่อนผู้บวชใหม่ก็มียังไม่ได้ให้นิสัยเดี๋วผู้อยู่เก่าผู้มาศึกษาใหม่ก็สับสนบนเปนกันอย่างนี้ด้วยความหิวความกระหายอยากได้ยินได้ฟังในธาดุคันของเราก็เป็นอย่างนี้ วันนี้จึงได้ถูถ่ามาประชุมเทศให้ท่านทั้งหลายได้ฟังให้นำไปยึดไปปฏิบัติศา ส, สดาองค์เอกเ อ, กอยู่งั้นตลอดเวลาให้พึงงจำไว้อย่างฝังใจทำทำอันเอกก็คือเอกตลอดเวลาอพระพุทธพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอกตลอดเวลาไม่มีคำว่ า, วาใกล้หรือว่าไกลว่าอดีตอนาคตเป็นอาการรี่โกทรงอยู่ตามความเป็นจริงของตนตลอดผู้ใดอยากล่าของดิบของดีก็ให้ พยายามกำจัดสิ่งที่มันเลวร้ายอยู่ภายในหัวใจนี้ออกมาโดยลดับก็จะประสบพบเห็นเึื่องความสุ ข, ขัข้านจะเลยการแสดงธรรมก็เห็นมาสมปวดอ่ะละเพียงตัวนี้นนรู้สึกหน่อยแล้ว